ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮสุบฮานอหัวตาและประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านนะครับก็ัมดีิล้นวละนะครับก็สรรเสริญอัลลอฮขอบคุณอัลลอฮนะที่พวกเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันซึ่งมันก็เป็นวันหยุดยาวนะหลายๆคนก็อาจจะไปพักผ่อนนะครับโรงเรียนหยุดด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่าพวกเราเองก็ เสียสละเวลาที่มีค่านะครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนกุรอานแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกับทางด้านตาก้องนะปรากฏว่าข้างๆนี่เขากำลังเจาะ ก, กันอยู่เลย <c oughs> ก็ต้องมีสมาธิสัก น, นิดหนึง่งนะมีสมาธิในการอ่านในการสอนรวมถึงการสอนของฉันด้วยเห็นไหมผมได้ยินหยุดเลย <c oughs> <c oughs> นายต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะเพราะว่าเสียงข้างนอกมันก็รบกวนละอายะที่เก้าสิบห้านะครับในสุร้อันีซะในสุร้อันนิซ า, นะ น, น, านะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่ฟาดิฮาลายสตาวีนะลายลายสตาวินกออีดูนะ่อเก้าสิบห้า ลงมาอีกหนึ่งอายะนะ้ายาอัลลอฮดอ่านไปแล้วอ่าเเริ่มต้นที่ฟาดีฮะ أعوذ بالله من ا ل ش บ ط ا ن ا ل ر ج ي ิร س م الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الر ال يوم الدين อียังเคน عبدوا อียังเคน أستعين อิหดีนคราทัลมุตสติมศรัทธาที่นาอันงามต่าลิม غير المضوب عليهم ولاضالين. อา م ม ن أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم الش الر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول ي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأموالهم ทั่ ل ل ะหลั่วผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผ ل ้ ا ู้ผู้ผู้ ج ู و َาُ ل َّะว่าดัลลอฮَลพุสนาว่ากَุล و َ ف َดَّ ل َ ا ل ลพุสนา فضل ลอฮุล m u j ه ِ د d i n َ على ا ل ق ا ِ د ي ن َ أجران َ ع ظ ي م ا درجات م ن هو مغفرو تاو ورحمة و كان الله غفور رحيم อัลฮัมดูลิลละนะครับมาดูความหมายนะพี่น้องจํานะครับคําว่าลาเยสตาวีเนี่ยในหลายๆอายะจะขึ้นต้นด้วย ค, วาควาําว่าลาเยสตาวีคําว่าสวาแปลว่าเท่ากันลาเยสตาวีตรงนี้แปลว่าไม่ไม่เท่ากันไม่มีความเท่าเทียมกันอะไรย oh นะลาเยสตาวีกออีดูเนี่มีเนะ้นมุมีนิน บรรดาผู้ที่ศรัทธาที่นั่งอยู่กออีดูในแปลว่านั่งอยู่รอยรูอุลิดตอรสมิใช่ผู้ที่มีความเดือดร้อนนะกับใครที่ไม่เท่ากันวลมูเจฮีดูนนฟีซาบีลิลละบิอัมวาลีฮมิมวอันฟุซีฮิมเมื่อเทียบกับบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อ้าวไม่เท่ากันอัลลอ์บอกไม่เท่ากัน คนกลุ่มหนึ่งคือคนที่เป็นผู้ศรัทธานั่นแหละอ่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็นั่งนั่งอยู่เดี๋ยวผมมาอธิบายคําว่านั่งนะคืออะไรพอเราก็นั่งกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวโดนด้วยนี่นั่งกัน น, นั้นเลยสงสัยต้องยืนอ่าน บรรดาผู้ศรัทธาที่นั่งโดยที่ไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอ์ด้วยกระทรัพย์สมบัติและชีวิตของเขาและยัสตาวีหาได้เท่าเทียมกันไหมหมายถึงคนที่อิหมัมบุคอรีได้เป็นได้รายงานว่าเจดเนี่ยได้นำอายะนี้มาแล้วก็บันทึกเอาไว้และอิบนูอุมมีมักตูมเนี่ยได้เข้ามา อิบนูอิมุยมาตุมเนี่ยเป็นชายตาบอดพี่น้องครับเป็นคนที่มีความกล้าหาญแต่เอาล่อให้ท่านเนี่ยตาบอดเป็นคนตาบอดอยากจะออกรบกับ น, นบีเหลือเกินกี่ครั้งกี่ครั้งก็มาขอนบีออกรบแล้วถามว่านาบีจะใช้คนตาบอดไปออกรบไหมล่ะจะมองเห็นยังไงอะ่ะธนงธนูยิงมาเอ่ยดาบฟันมาใช่ไมก็มองไม่เห็นนบีจึงบอก ว่าท่านเนี่ยมันท่านน่ยมีอุปสรรคในการที่จะสู้รบนั่นหมายความว่าร่างกายของท่านเนี่ยสายตามองไม่เห็นคือคนเราเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าจะทําอะไรได้ทุกอย่างเส้นสมมุติคนตาบอดยังไปสอบใบขับขี่ไงเขาไม่ให้หรอกยังไงก็ไม่ให้ผ่านไม่ผ่านได้ตรวจสอบสายตาแล้วต้องคนสายตาดีถึงจะขับรถได้ถ้าสายตามองไม่เห็นตาเป็นต้อกระจกมองไม่เห็นข้างหน้าเป็นไฟอะไรวะสีอะไรแยกไม่ออกเนี่ยขับไม่ได้ อันตารายและมันไม่ใช่อันตารายกับตัวเองอย่างเดียวมันอันตารายนคนอื่นด้วยขับไปไปชนคนอื่นเช่นเดียวกันอับดุลร้อยหนุม่มตูมเนี่ยถ้าเกิดออกไปรบจับอาวุธได้ยินเสียงอย่างเดียวเลยไม่รู้ฟันไม่ก่อนแหละกลายเป็นพวกเดียวกันอีกท่านนับีจึงบอกว่าท่านเนี่ยถือว่าอุลิดดอรอดนะแปลว่าเป็นบุคคลที่อ AH ัลผลอฮ์ผ่อนผันให้นะก้อยรูอุลิดดอรอดแปลว่า เป็นบุคคลที่เอาล่อผ่อนผันให้นะแต่สุดท้ายนะในยุคของท่านอุมัตเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิมูมักตูมเนี่ยบอกว่าไม่ขอจับอาวุธแต่ขอเป็นคนจับธงในการสู้รบและให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยไม่เห็นศัตรูว่าจะบุกมาไงดังนั้นคนที่จับธงเนี่ยจะมุ่งมั่นมั่นเขาเรียกว่ามั่นมีความมั่นคงกว่าคนที่เห็นด้วยซ้ำเพราะ มีคนบอกให้เดินก็เดินมีคนบอกให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายโดยที่ข้างหน้ามองไม่เห็นสุดท้ายก็เป็นคนจับธงแล้วก็ได้เฉลีหีดแต่ยุคท่านนาบีนบีไม่ให้ออกรบนะเพราะว่าจะไปจับอาวุธสู้แต่ในยุคอุมัตที่ให้อนุญาตให้รบเพราะว่าเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนจับธงซึ่งคนจับธงเนี่ยมีหน้าที่ก็คือจับธงอย่างเดียวแล้วก็นําทัพไปตรงไหนตรงไหนก็จะมีคนคอยบอกว่าซ้ายขวาเพราะอัลลอฮตรวมอีกหนึ่งหน้าที่ที่ท่านทำก็คือท่านทำการอาญา ท่านก็ห้างเอกผลนี่ว่าไอตอนอาดานยุซูโบเนี่ยท่านเป็นคนอาดารตอนเข้าเวลาซูโบซึ่งเวลาซบโบสมัยก่อนไม่ได้ดูปฏิทินซูโบต้องดูแสงไฟยัดและตาบอดจะมองแสงไฟยัดเห็นไหมไม่เห็นแต่มีคนบอกไงว่าเข้าไฟยัดแล้วไฟยัดมาแล้วท่านก็ขึ้นไปอาดารย์อ่าทานีนี้ถามว่าคนอื่นที่มีอุปสรรคมีไหมที่นบีไม่ให้ออกรบมีชายคนหนึ่ง มีแม่ที่แก่ชาราอยู่กับแม่สองคนนะครับมาขอท่านนาบีเพราะนาบีบอกว่าการออกจีฮัดเนี่ยได้สวรรค์และก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดด้วยถ้าตายเฉีดแตะนะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยก็อยากจะออกมารบมาขอนบีครั้งที่หนึ่งนบีบอกว่ามีแม่ไหมมีและมีคนดูแลแม่ไหมไม่มีอ้าวไม่มีกลับไปดูแลแม่ครั้งที่สองออกรบอีกแล้วมาขออีกแล้ว แม่ก็ยังอยู่ก็ให้กลับไปดูแลแม่และครั้งสุดท้ายนาบีบอกว่ากลับไปดูแลแม่เพราะสวรรค์นี่แหละอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้ามานดาแปลว่าการทำหน้าที่ดูแลแม่ก็ได้สวรรค์เหมือนกันแต่คนที่จะทำหน้าที่ดูแลแม่นะ่ะมีแค่ตัวท่านคนเดียวถามว่าให้คนอื่นไปดูแลจะดีดูแลดีกว่าลูกหรอไม่ได้คนอื่นก็ดูแลได้แหละแต่มันดูแลดีกว่าลูกไหมล่ะ ไม่มีใครจะรู้ใจเท่ากับลูกที่อยู่กับแม่ดูแลแม่มาดังนั้นน บ, บีจึงใช้ให้คนคนนี้ไปดูแลแม่เพราะไม่มีใครทําแทนได้แต่ในเรื่องของการออกรบถ้าไม่มีคนออกรบถามว่ามีคนอื่นอีกไหมมีเขาเรียกเป็นฟอรดูกีฟายะมีคนคนหนึ่งทําแล้วก็มีคนอื่นรอดพ้นไปก็คือไม่บาปแต่ถ้าเป็นการดูแลแม่เป็นฟอรดู อ, อันใครไม่ดูแลแม่คนนั้นบาปอ่าอันนี้ไปรับไม่ใช่คนอื่นทําแทนไม่ได้นะ ดังนั้นคนที่มีอุปสรรคดางเนี้ก่อไอดีนแปลว่ากำลังนั่งอยู่ไม่ได้ออกมารบก็ถือว่าศาสนาผ่อนปลนให้ไม่เป็นไรวัลมูจาฮิดูนฟีซาบีลินละส่วนคนที่ออกสู้รบในหนทางของลอบิอัมวาลิหิมด้วยกับทรัพย์สมบัติของเขาวะอันฟูซิหิมแล้วออกไปด้วยกับตัวของเขาคนสมัยก่อนอาจจะออกได้2แบบนะแบบแรกก็คือออกด้วยตัวแต่สตางเนี่ยเอาคนอื่น เป็นนักรบศาสนาแต่สตางไม่ได้ใช้ของตัวเองเอาสตางของจักาดมั่งอะไรบ้างอันที่สองตัวไม่ได้ออกแต่ออกสตางอย่างเดียวเอาสตางให้กองทัพไปแต่ที่อเลอร์บอกว่าดีที่สุดเลยก็คือตังกัของตัวเองโล่ก็ซื้อมาดาบก็ซื้อมาธนูกัของตัวเองเสียตังและแถมยังเอาตัวเองพาออกไปรบอีกอันนี้ทั้งสละทั้งทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์สิน ฟัตดลลลอฮุลมูเจฮีดนอัลลอฮ์สรุปเลยนะอัลลอ์บอกเลยว่าคนที่ต่อสู้ในหนทางของลอบีอัมวาลิฮิมวานฟูซีฮิมฟัตดอลลอเป็นบุคคลที่เยี่ยมยอดกว่าประเสริฐกว่านะอ่าละลกออีดีนะดาราะจ์กว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต่อสู้อะไรเลยนะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ด้วยดาราะจ์อยู่หลายขั้นด้วยกัน อ, อยู่หนึ่งขั้นด้วยกันอยู่ขั้นหนึ่งด้วยกันขอโทษดิอยู่ขั้นหนึ่งด้วยกันก ว, นนวกุลละวะอัลลอฮุลฮุสนาทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาไว้ฮุสนาซึ่งความดีที่จะได้รับวกุดดลลัลลอฮุลมูเจฮิดีนาอัลเลกอัยดีนอัจรอนอัซีมาแต่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้นั้นเหนือกว่าบุคคลที่นั่ง ตรงนี้ก็หมายถึงไม่ได้ต่อสู้นะด้วยรางวัลที่ใหญ่หลวงนะครับส่วนคำว่ารางวัลที่ใหญ่หลวงตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงสวรรค์ที่อัลลอ์จะให้อยู่ในระดับที่มากกว่าที่สูงกว่าคราวนี้บุคคลที่อยากออกรบเหลือเกินเหมือนกับชายคนนั้นที่มาขอท่านนาบีแต่มีภารกิจสำคัญคือต้องดูแลแม่แต่ใจเนี่ยก็อยากจะไปแล้วแต่ไปไม่ได้เพราะเป็นห่วงคุณแม่ หรืออับดุลลอหอินอุมีมะตูมที่ตาบอดและไม่ได้ออกไปสู้รบแต่ใจก็อยากไปมากเลยถามว่าเขาจะได้ผลบุญในการต่อสู้ไหมอินนั่นมาดีนะฮะดิสบทหนึ่งได้บอกเอาไว้สำหรับคนที่ป่วยคนที่พิการหรือคนตาบอดที่มีอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยอินนาบินมาดีนะนบีบอกว่าที่เมืองมาดีนะเนี่ยอักวามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซิรตุม ไม่ว่าพวกท่านจะเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่มินมาซีรอตินวาลาโกตตุ่มมินวาดินไม่ว่าพวกท่านจะเดินไปที่ใดหรือไม่ว่าพวกท่านจะขึ้นลงอาจจะขึ้นเขาลงห้วยเพียงใดก็แล้วแต่นะอินลาวะหุ่มมากุ้มพวกเขาจะอยู่พร้อมกับพวกท่านในฟีฮีในที่ที่ท่านปรากฏตัวหรือที่ที่ท่านอยู่ กอลูมีคนถามยาห์ร ah ul ัสุลลอฮฺว่าหุมบินมาดีนะยาห์รัสุลลอฮฺแต่พวกเขาอยู่ในเมืองมาดีนะนะที่น บ, บีพูดเนี่ยพวกเขาอยู่ในเมืองมาดีนะเรารู้แหละว่าพวกเขาเนี่ยใจมากับพวกเราแต่พวกเขาอยู่มาดีนะไม่ได้ออกมาร่วมรบกับเรานะนบีบอกว่าน้าอัมใช่แล้วพวกเขาอยู่เมืองมาดีนะก็จริงแต่ที่เขาไม่ออกมาอันเนื่องเขามีอุปสรรคมีเหตุ Has h a b a บ a l h ุ m มอุ r อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนคุณงามความดีเหมือนกับผู้ท่านนั่นแหละอ่าเหมือนกับผู้ท่านเลยแต่ที่เหตุไม่ออกมาเพราะเขามีมีอุรุมีอะไรนะมีอุปสรรคอ่าดังนั้นตรงเนี้ยเป็นฮะดิษที่พูดถึงเรื่องของการตั้งเจตนาตั้งเจตนาผมยกตัวอย่างเอาให้มันใกล้ว่าใกล้ๆเลยพี่น้องวันนี้ตั้งใจจะมาเรียนวันนี้ตั้งใจมาเรียนตัฟซิเลยเอาหลออาจารย์วางแผนไว้แล้วสักผาแต่วันศุข นาธรรมดาต้องทักวันเสาร์ไงสักผาแต่วันศุกร์เตรียมเลยเคลียร์ธุระหมดเลยปรากฏว่าพอเช้ามาอ่ลมาซสุโบโเสร็จกินจงกินโจก๊กจะออกมาอ๋อมันปวดท้องเหลือเกินมันปวดท้องจะลุกขึ้นมาก็โอยแล้วก็นัดมีนัดกับห้องน้ำอยู่นั่นแหละท้องเสียไม่มีแรงแทบจะคานออกจากห้องน้ำแล้วลูกก็บอกมา้าพักนะวันนี้เดี๋ยวมา พักก่อนเดี๋ยวไม่ไหวแย่ yeah. เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปกินอะไรนะกินเกลืองเกลแรกก่อนเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นั่นแหละอัลลอฮฺบันทึกผลบุญเหมือนมาเรียนแบบพันยาเลยผลบุญเดียวกันเหมือนกับคนที่มาเรียนที่นี่แหละเพราะอะไรแ่ะเพราะคนเนียนอยากจะมาเรียนแต่ที่ไม่มาเพราะว่าท้องเสียอ่าหรือเมื่อกี้อา ญ, ญาผมไม่ได้อาบน้ํามีคนไม่อาบน้ำํำมันมาที่ออไม่ใช่ไม่ใช่ใชออออลลานไม่ได้อาบ ท่อแตกอันนี้ได้ผลบุญไปเพราะว่ามีอุปสรรคไงต้องซ่อมจะแมท่อมันแตกก็ต้องซ่อมอยู่เดีดังนั้นขอให้บเราเนี่ยเนียดก่อนส่วนจะมาได้ไมมาได้ไม่ได้เนี่ยให้มอบหมายก่อนล้อแต่ไม่ใช่วันเนียดแบบเขาเรียกวันเนียดไปเรื่อยเนี่ยเนียดประมาณสองปีมาแล้วมาจะมาเรียนยังไม่โผล่มาจะครั้งเลย เอาหลอดฉันอยากมาเห็นอาจารย์มาบรรยายนี่หกหกเนี่ยเออมันมาไม่ถูไม่รู้ซอยไหนเอาหาแผนที่ไปแล้วอ่าเอาหลออยากมาเรียนแล้วเกินมันอยู่ตรงไห น, นล่ะเอาแผนที่ไปอืมประมาณสองปีละเนียดอย่างเดียวไ อ, อย้ยางนี้ไม่ได้บุญเนียไอ้เนียอย่างเงี้ไม่ได้บุญเพราะเป็นการเนียดแบบไม่ได้มีอา zam อา zam คืออะไรกูต้องคือหมายถึงว่าต้องมั่นใจว่าจะมาตั้งใจจริงๆไม่เทรเนียดไปเรื่อย คืนนี้เดี๋ยวเนียดตาฮัดยุดล้กันนะตีนหนึ่งยังไม่นอนเลยจะตาฮัดยุดตีนหนึ่งยังไม่นอนเลยะจะเหลือไมอมตื่นไหที่เอาสุบโบให้รอดเถอะตีนหนึ่งยังไม่นอนเลยไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยด่านะละเหนียดอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นหะดิสบุนเนี้ยเป็นกําลังใจให้คนที่ไม่ได้มาเรียนเหมือนทัดยาที่ผาที่อยู่บ้านป่าใช่ไหมผาหลังเข้ามะ ฮัตยาอะไรนะจ๊ะนิยอเ น, นี่ยได้ผลบุญเหมือนมาเรียนทุกวันนั่นแหละพ่อไปถามนิยออยากมาไหมอยากมาแต่มาไม่ได้เพราะผ่าหลังใช่ไหมผ่านะขอให้พวกเราเหนียกก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือตอนที่สุขภาพดีต้องมาให้ได้นะเพราะว่าเราจะบันทึกผลบุญตามสภาพของเราตอนที่ไม่ป่วย ถ้าไม่ป่วยแล้วเรามาแลว้วป่วยแล้วไม่ได้มาอัลลอฮ์กระใจผลบุญเหมือนกับตอนที่เราไม่ป่วยแ อ, อ น, นี้เป็นรางวัลพิเศษให้สําหรับคนขยันมันเพียร น, นะครับอันนี้นบีพูดเลยนะอยู่ในเมืองบดีนะหัวใจเขาเนี่ยอยู่กับพวกเราตลอดแหละแต่เขามาไม่ได้นเนื่องมาจากมีอุจจตอัลลอฮ์บันทึกผลบุญเหมือนกับพวกเราเลยน ะ, อ, ะอีกอายะหนึ่ง ดาวโรอจอาทิ ม, มินหูดาวโรอจอาทิ ม, มินหูว่ามักฟิรตาวอระห์มะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงเนี่ยก็คือพวกเขาจะได้รับหลายขั้นจากพระองค์นะหลายขั้นจากพระองค์เดี๋ยวมาดูกันนะอะไรว่ามักฟิโรตาวอร์ะ์มและได้รับการอภัยโทษและความเมตตาด้วย ว่าการนัลลอหูกอฟูรถรอฮีมาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาคําว่าแต่อัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้เหนือกว่าตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์บอกให้พวกเราทราบถึงบรรดาผู้ที่ต่อสู้ที่จะได้รับเกียรติเหนือกว่าหลายขั้นเช่นที่พำนักในสวรรค์อันมีเกียรติได้รับการอภัยโทษและความผิดต่างๆได้รับความโปรดปานสิริมงคลบารักัต ความดีและได้รับเกียรตินด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงบอกพวกเขาจะได้รับหลายขั้นด้วยกันนะไม่ใช่แค่ขั้นเดียวนะหลายขั้นคือมันหลายอย่างอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอภัยโทษบรักัสสิริมงคลต่างๆและมีหะดิสระบุเอาไวา้จากอบดสาอินคุดารีบอกว่าแท้จริงท่านนบีบอกว่าอินนฟินจันนะมิอดาโรจะแท้จริงในสวรรค์นั้นมีร้อยระดับด้วยกันมีร้อยขั้นน อาดะฮัลลอห์ลิลมูเจฮีดีเนฟีซาบีลีและอัลลอฮได้เตรียมมันไว้แก่นักต่อสู้ในหนทางของลอมาใบนะกุนดราะะไตกะมาใบนัสมาอีวัลอัลและระหว่างทุกสองระดับเนี่ยหมายถึงระหว่างชั้นเนี่ยนะชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยห่างกันเนี่ยเท่ากับระยะของฟ้าและกะดินอ่าระยะฟ้าและกะดิน นะครับนี่ก็คือดารอยะที่อัลลอฮ์นั้นได้เตรียมเอาไว้อ่ะต่อมานะอายะที่เก <an> ้าสิบเจ็ดอินนัลลาีน่าตาวฟาฮุมุลมาเลอิกะตูซอลิมีอัฟุซิฮิม ق َ ا ل ُ و ا فِيْ مَكْوَنٍ تُمْ ق َ ا ل ُ و ا ك ُ ن َّ م ُ س ْ ت َ ط ع ف ِ ي ن َ ف ِ ي الْأَرْضِ قَالُ จะมั้งตะคุนอารุฎุลลอฮิวาส วะฮุมจัฮันนัมว่าอุลัย ج ามาวะฮุมจัฮั ا นัมว่ م เศษมอศ ا รอว่ารอมุ อับอักรฟินมินูจลวันนิววดนล จะตั้งตัวหน้นลตัวว่าแล้วจะบิล่าแล้วจะตั้งตัวหน้าหินแล้วตัวงั้น ع, الله ع الله الله َาห์อัลลอฮฺเอเยฟัวงหุมโวแลคَอัลลาห์อัลลอฮฺเอเยฟ ن วงหุมว่ากันอัลลอฮฺُรฟูอนตวกนอาฟูันกฟร و َ م َ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ي َ ج ِ د ف ي ا ل ْ أ ر ض ي ج د فِي الْأَرْضِ م ُ ر َ ا غ ِ م ً ا كَثِيرًا و َ س ِ ع ٌ ว่าไม่ยักรุจมิมบ้านที ل มุฮ ل จิรันอิลลอห์แวรไม่หสมมยดริ ฮุลมาุตุฟะคَดวَกาอาจัรَหู ل ه ลอฮฺَุมมาَด์َิَฮَลมَ ا ل ل ฟะคُดว ف กาอา ا ัร ح หูะลล อินนัลละดีนาตาวัฟฟาหุมุลมาลาอิกาตุดอลิมีอันฟุซีฮิมแท้จริงบรรดาผู้ที่มาเลกาได้เอาชีวิตของพวกเขาไปคำว่าตาวัฟฟาแปลว่าตายนะมาเลกาเนี่ยมาเอาชีวิตนะครับพวกเรานีตายเองไม่ได้นะยู่ดีตายเองไม่ได้อเอาลอคกำหนดหน้าที่มาเลกามาลิกุนมูต มาริกาที่ทำหน้าที่ปิดชีวิตเก็บวิญญาณจะมาเยือนมนุษย์ทุกคนเมื่อถึงเวลาแล้วเวลาการตายเนี่ยถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนที่อายุในคันร้อยยี่สิบวันสี่เดือนพออายุสี่เดือนปับ๊บอลัลลอห์กำหนดแล้วตายเมื่อไหร่ยังไม่ทันออกมาเลยอายุเท่าไหร่อันดับกำหนดแล้วอาชีพอะไรชีวิตจะ จะสบายจะทุกยากกําหนดมาหมดแหละอ่าอัาลอฮ์กำหนดมาหมดแล้วกํ า, ก า, ออก ห, นา ห, หนดตามที่ที่อะไรที่เราเป็นนี่แหละ <c oughs> เราดิสัยยังไงอลัลลอฮ์รู้หมดแหลพะพ่อรู้อัลลอฮ์รู้อะไรรู้อนาคตว่าเราจะดือ้อหรือเราจะเป็นคนที่อ่อนน้อมก่บพระองค์นะแต่หน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราไม่รู้ลูกเราเนี่ยจะเป็นยังไงเราได้ที่ทําไงสอนบอกให้ความรู้ แต่ถ้ามันถึงสุดแล้วให้เท่าไรก็ไม่รับมันยากและเกินอยากจะไปทำความชั่วลดยเกินก็ถือว่าหมดหน้าที่เราแล้วอ่าอัลลอฮ์ไม่เปิดใจตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราทำสุดความสามารถแล้วนะแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่ปิดกัน้นนะในเรื่องของศัจธรรมด้วยพี่น้องวารดบินเอ่อวารดบินรอบีอ์วารดบินมูกีรอ คนเนี่ยเป็นคนที่ออกมาประจันดาบในสมรคุมประดับรู้ไหมว่าเคยฟังสุรศยดคือวลิศเนี่ยบอกว่าวลิศบอกว่าอะไรบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวลอิซัลลัมเนี่ยเป็นเป็นนักกวีแตง่งก็เลยไหนฟังที่ให้นบีอ่านนบีอ่านสุรศยดา เพราะ อ, อ่านมาเนี่ยออกมาซึมเลยบอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยที่กล่าวมานี่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์อ่ะเชื่อว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนาทูตปรากฏว่าแต่ก็ยังไม่ ป, มปฏิยานตนฉันนึงบอกว่าคนที่เชื่อแต่ไม่ปฏิยานตนเนี่ยถือว่าเป็นมุสลิมไหมไม่เป็นนะบางที่เนี่ยเอาคนมันจะเรียกมูนาฟิกใช่ไหมคือ เดี๋ยวนี้มันมีงานมุสลิมที่เอาคนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาพูดเรื่องอิสลามโอ้โหมันพูดเก่งกว่ามุสลิมอีกโอ้โหมันรู้หมดเลยไอ้ยางงี้ย่างงี้ทังไงแต่ถามทาไมไม่รับอ่ะไม่บอกไม่รับแต่รู้มีนคนที่รู้อิสลามเยอะกว่ามุสลิมแต่ไม่รับอิสลามก็ไม่ตาอะไรกับวาลิดบินมูกีรอสมัยนบีรู้ว่านาบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูต แต่สุดท้ายแล้วเก่งใจอบูอบูนะับเดี๋ยวบูญหันไม่รู้จาไม่ได้ละอบูสองคนนี่แหละก็ไปแก้ไปอะไรนะไปเจรจาความสุดท้ายก็เลยออกรูปบอกว่าแสดงว่านาบีเนี่ยเป็นนักสยศาสตร์ไอ้ที่อ่านมาเนี่ยเป็นพวกมนดํดำเอาคุาณอ่านไปเทียบกับเป็นคาถาทำให้คนเป็นไงพอคนฟังคุณอ่านแล้วกลายเป็นอยู่ในคาถา เลยออกลูกนั้นไปและสุดท้ายก็ตายในสภาพที่เป็นกาเฟตทั้งๆ ท, ที่ตัวเองในหัวใจตัวเองก็เชื่อว่านบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตแต่ไม่กล่าวปฏิญาณออกมาดันั้นเงื่อนไขของการเป็นมุสลิมเนี่ยต้องปฏิญาณตนด้วยอยู่หัวใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิญาณออกมาและตรงกันข้ามถ้าปฏิญาณตนและหัวใจปฏิเสธก็ไม่ใช่เหมือนกันอืมดังนั้นหัวมุสลิมต้องทั้งในใจปฏิญาแล้วก็ปฏิบัติอามันด้วย นะขาดสามขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ไม่เคยละมานเลยอันนี้ไม่ใช่มุสลิมจ้ะอันนี้ไม่ใช่มุสลิมมาถามว่าเป็นมุสลิมไม่เป็นถ้าไม่เคยละมานเลยทั้งชีวิตไม่เคยละมานสะอาดเลยนะไม่เดี๋ยวมุสลิมหรอกอ่านะนี้บรรดามาเลกาเนี่ยมาเอาชีวิตพวกเขาโดยที่จอล์ีมีอันฟุตซิฮิมในขณะนั้นน่ยเขาเป็นคนที่อาธรรมกับตัวเอง กอลูฟีมากุนตุม้ม <c oughs> มาริการ์กล่าวว่ากอลูฟีมากุนตุม้มพวกเจ้าทําอะไรกันอยู่พวกเขาก็กล่าวว่ากอลูกุนนามุสตันอาฟีแนฟฟินอารพวกเขาตอบกับมาริกาบอกว่าพวกเราเป็นผู้ที่อ่อนแอในแผ่นดินเป็นผู้ที่อ่อนแอในแผ่นดินอันนี้ข้ออ้างนะข้ออ้าง กัลูอลัมตะคุณอรดลุลลอฮิวาซิอาฟตุฮาจิรูฟีฮ์นะมาริก้าก็กล่าวแก่พวกเขาว่าแผ่นดินของอลัลลอฮนั้นไม่ได้กว้างขวางดอกหรือฟตุฮาจิรูฟีฮ์แล้วพวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในนั้นนะ ทำไมไม่อบพยบไปเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตรงนี้หมายควา ม, ว, ามว่าอะไรฟะอูลอิกะมะวาหุมจะฮนันนมชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาก็คือนรกยาฮนันนมวาซาอัจมาซีรอโดยที่กลับไปนั้นเป็นที่ที่ชั่วช้ายิ่งตรงนี้ในทัฟซีนุกัสซีดบอกว่าห้ามมิให้คงอยู่กับบรรดาผู้มุชลิกีน สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการอบพยพได้เพราะสาเหตุของการอพยพตรงนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากขาดสิทธิในการนับถือศาสนาและก็ขาดสิทธิในการปฏิบัตินะครับศา ส, สนาพูดง่ายๆว่าถูกขัดขวางทุกอย่างแม้กระทั่งท่านโรซูนเนี่ยจะไปละหมาดที่มัสยิดทารอมไปละหมาดที่กาบาเนี่ยที่มัสยิดทารอมก็ถูกขวางถูกรังแกนะดังนั้นตรงนี้ ฉันเคยบอกกับว่าบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมาใช้หุกกมตรงนี้ไม่ได้เพราะประเทศไทยของเราเนี่ยมีสิทธิในการนับถือศาสนาอัลฮัมดุลิลละนะจะปฏิบัติศาสนากิจก็เป็นสิ่งที่ทําได้จะมามสัสยิดไม่มีใครห้ามนะจะเรียนกุรอานก็ไม่มีใครห้ามจะเปิดกี่โรงเรียนก็ไม่มีใครห้ามนะแต่ประเด็นเรื่องมสัสยิดเนี่ยก็ขอให้มีชุมชนเสนหน่อยอันนี้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน ชอบไปสร้างสุราวก่อนมีชุมชนซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีชุมชนมีคนก่อนถึงจะมีมัสยิดนะครับเพราะว่าอย่างที่เมืองมาดีนาเนี่ยที่ไปสร้างที่กูบาก็ดีที่มัสยิดที่เมืองมาดินาก็ดีค่ะเขารับอิสลามกันตั้งนานเลี้ยนะชาวอันซอร์ก็รับอิสลามแล้วแล้วก็มีมัสยิดนะแต่บางทีมีมี ม, มีมีชุมชนอยู่ไม่กี่มีคนไม่กี่บ้านเอาเป็นบาร์ลไปก่อนนะนี่ผมก็นําเรียนกันตรงนี้คันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องอยู่ อัตตฮาคได้กล่าวว่าอายะที่กล่าวมานั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานเกี่ยวกับบรรดามูนาฟิกีนคนที่หน้าไหว้หลังหลอกกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่ที่มักกะและก็ไม่พยายามแลคือไม่อยากจะอพยพตามท่านรอซูลไปที่เมืองบาดีนะและพอในวันสงครามบาดัดเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็เกณฑ์นในพวกเนี้ยไปอยู่ในอะไรไปอยู่ในกองทัพของมุกมุชลิกีนด้วยนะครับและสุดท้ายก็ได้รับ อันตรายอ่าวไอ้ตอนรบเนี่ยก็ไม่รู้หรอกจะมาอ้างว่ารับอิสลามจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นการอ้างนะทั้งๆ ท, ท, ที่สามารถที่จะอบพยพมาได้แต่ไม่อบพยพและก็ถูกไปอยู่ในกลุ่มในในในในอะไรนะในกองทัพของพวกมุชลิกินนะครับนะและเมื่อเขาตายไปแล้วไอ้การที่บอกว่าเขารับอิสลามตรงเนี้ยมันเป็นการรับแบบมูนาฟิกนะหน้าไหวหลังหลอกนะครับ เอาล่ะจึงบอกว่าที่อยู่ของเขาก็คือในนรกเะหันนำอ่าอายะต่อมาอายะที่เก้าสิบแปดนะครับอันนี้พูดถึงคนที่อพยพได้และไม่อพยพนะคราวนี้จากเมืองไทยเราก็ไม่ต้องไปไหนเราพี่น้องอยู่เมืองไทยแล้วนี่แหละไม่ต้องอพยพไปโุดีเพราะเราก็มีอะไรนะมีสิทธิในการนับถือศาสนาในการประกอบศาสนา อ่ะมันจะมีอยู่บางพวกอิลเลนมุสตัดอัฟีนะ่ะมีนารีจานวันนีซา ว, วันวินดานนอกจากบรรดาที่หัวใจของเขาเนี่ยอย่างอพยพจริงๆแต่บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย <c oughs> เป็นผู้หญิงวินดานตรงนี้แปลว่าเด็กนะที่ไม่สามารถที่จะมีอุบายใดๆไฮลตัน <c oughs> วาตัดตะดูนซาบีละอ่าวาเละยะ์ตะัดูนซาบีละนะไม่สามารถที่จะอพยพมาได้เพราะเป็นผู้ที่อ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีอุบายใดๆแล้วก็ไม่ได้รับทางนำอีกด้วยแปลว่าการเดินทางของเขาเนี่ยมีอันตารายอย่างแน่นอนอ่มองดูแล้วว่าถ้าเดินทางไปเนี่ยคนนำทางก็ไม่มีสเบียงที่จะไปก็ไม่มีถ้าออกไปก็ถูกฆ่าตาย อันนี้ศาสนาไม่เอาโทษนะไม่มีความสามารถหรือจะมีอุบายในการหลอกแม้กระ ท, ทั่งทหารซูลรอซูลรอฮวาเดอซัลแลมวันที่อพยพเนี่ยที่ไปที่ไปหลบอยู่ในเขาใ น, ในถ้ำเนี่ยอันนั้นก็มีอุบายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมืองมา ด, ดิน่าเนี่ยอยู่อีกทางหนึ่งแต่เดินทางสวนกับอีกทางหนึ่งไปอยู่ในถ้ำหลอกไอคนที่ติดตามมาข่านะครับ ต่อมามีห a d i s บทหนึ่งบอกว่ามันจามาลมุสลิมวาสะกนามาฮูฟัยนนะฮูมิสลูผู้ใดที่ร่วมงานกับคนมุสลิมและก็อาศัยอยู่กับเขาไอ้คําว่าอาศัยอยู่กับเขาเนี่ยพี่น้องไม่เท่าไหรแต่ร่วมงานน่ะไปร่วมงานกับเขาอย่าง ส, สมมุติในตอนสงครามบาดัาเนี่ยถามว่าคนที่ออกมารบอีกฝั่งหนึ่งนะมารบกับใครมารบกับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเราจะบอกเราเป็นมุสลิมเราจะไปอยู่กับเขาไม่ใช่แก นั้น น, น, นบีจึงบอกว่าซากานามาฮูฟายินนะฮุมิสลุกก็เท่ากับเป็นคนประเภทเดียวกันเหมือนกับพวกเขาเนี่นแหละนะร่วมงานกับคนที่ตั้งภาคีและก็อยู่ร่วมกับเขาทั้งๆ ท, ท, ท, ที่มีความสามารถที่จะปฏิเสธแยกตัวออกมาอพยพออกมาได้แต่ไม่เอาอยู่กับเขาไปไอ้แบบนี้พี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายนบีบอกว่าเช่นนี้แหละเขาก็เป็นเช่นมุสลิม ฟาอุลัยกะอัสลัลลัฮูอัลลฮิาอันหุมชนเหล่านี้หมายถึงคนที่อ่อนแอไม่สามารถจะอบพยพมาได้เนี่ยชนเหล่านี้อัลลอฮ์ทรงยกโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์ก็ทรงอภัยโทษนะและก็ยกโทษให้เสมอนะซึ่งอายะที่เก้าสบเจ็ด อันนี้จะพูดถึงคนที่เป็นมุนาฟิกโดยข้ออ้างว่าอ่อนแออย่างโอย่างนี้แต่จริงๆไม่ได้มีสาเหตุอย่างนั้นหรอกนะและก็สุดท้ายก็ตายเสียชีวิตลงเนี่ยอันนี้ก็เพือเป็นบาปนะครับแล้วก็ตกนรกด้วยส่วนอีกประเภทหนึ่งไม่อพยพก็จริงแต่มีสาเหตุจากความอ่อนแอและก็ไม่สามารถที่จะอพยพมาได้และหัวใจเนี่ยก็เชื่อมั่นในอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์ให้อภัยนะอ่าต่อมาว่าไมยู่ฮะจิตฟี ซอ บ, บียดินละผู้ใดที่อพยพไปในหนทางของล้อเขาก็จะได้พบแผ่นดินนะฟีซอ บ, บียดินละยอิ ย, ยิสฟินอาร์เขาก็จะพบกับแผ่นดินแผ่นดินแบบไหนแผ่นดินที่มีความมั่นคงอ่าซึ่งในการอพยพ อ, อันมากมายนี้จะพบกับแผ่นดินที่มีความมั่นคง มูรอก็มันกะซีรอนวะสาและก็มีความกว้างขวางยาจิดฟินอดัดมูรอก็มันกะซีเราวะสาตรงนี้มุจาฮิตได้ให้ความหมายว่าคือให้พ้นจากความหลงผิดไปสู่หนทางที่ถูกต้องให้พ้นจากความหลงผิดไปสู่ความถูกต้อง ถ้าแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันมีแต่สิ่งที่หลงผิดนะพยายามที่จะนําเราไปสู่หนทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะและที่นั้นเน่ยเป็นที่ที่จะนําเราสู่หนทางที่ถูกต้องนะครับและอันที่สองมุจลิฮิตอธิบายบอกว่าให้พ้นจากความแรงแรงแค้นไปสู่ความร่ํารวยอ่าถามว่าเอ้าในการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยตรงเนี้ยดูแล้ว ยากในการประกอบอาชีพแล้วเราก็อบพยพไปอีกที่หนึง่งและซึ่งแน่นอนว่าไอ้ที่ที่เราไปเนี่ยเราก็ได้ประกอบศาสนกิจและก็มีลู่ทางในการทํามาหากินที่ดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในความหมายนี้ด้วยนะอะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอดตายกันอยู่ในแผ่นดินตรงนั้นไม่ต้องแยกออกไปไม่ใช่ก็สามารถที่จะย้ายไปในที่ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเพราะแผ่นดินขอร้อนเนี่ยกว้างขวางนะถ้าจะอพยพในเหตุผลนี้ก็ได้แต่เงื่อนไขสําคัญก็คือว่าในที่นั้นจะต้องมี เสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็การประกอบศาสนาศิจและสิ่งแวดล้อมดีด้วย อ, อย่าอพยพนะคันั้นเวลาเชชเขาตอบเนี่ยถามว่าคุณอยู่ประเทศที่มันเป็นประเทศตเตาฮีดเนี่ยและจะย้ายมาอยู่ในประเทศที่มีการตั้งบาคีเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขเช่นหนึ่งคุณต้องรู้ฮกกมฮารานฮารอมมีคนอาหรับประเทศซาอุดีถามว่าจะมาเมืองไทยเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างเชชบอกหนึ่งคุณต้องรู้ฮารานฮารอม ขึ้นลงมาสนามบินเนี่ยไม่รู้เลยมาฉีกมาก่อนมีน่นอัลลับมาฉีกขนมกรอบรถหมูอ่านไม่ออกไงกินยังไม่รู้เลยอะไรฮัลลันทารอมอยู่ที่เมืองนอกกินไอ้นั่นได้เบอร์เกอร์เมื่อมาเมาื่อมาเมืองไทยเข้าร้านเบอร์ เ, อรเกอร์กินเฉยเลย <c oughs> เพราะว่าเบอร์เกอร์เมืองไทยกับที่เมืองนอกไปไปเหมือนกันยี่อเดียวกันแ ต, แต่แต่ไม่ฮัลลันเมืองไทยมีรถหมู เข้าใจไหมเอาเอาพุ่ยุยหอแล้วกันนะ่ยแม็โดน่อย่างเงี้ยที่เมืองนอกกินได้สมมติใครไปทำฮัทเนี่ยไปทำอมร้อนเนี่ยเข้าร้านแม็กโดน่กินได้เบอร์เกอร์คิงกินได้แต่ถ้ามาเมืองไทยไม่ได้เลยเพราะอะไมีรถหมู ม, มีมีอะไรที่มันมีอะไรนะมี ม, มีเนื้อหมูอยู่กินไม่ได้อาดับลงสนามบินมาเข้าร้านเบอร์เกอร์คิงกินที่ประเทศไทยไม่รู้หาล้านฮารอมเชคบอกเนี่ยมาไม่ได้เดี๋ยวมั่วกินไม่ถูก อันที่สองอหม่านต้องมั่นคงไม่เคยเจออะไรเลยผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดหมดมาลงสนามบินโอ้โหเจอสั้นๆไปแล้วหลุดเห็นไอันที่สามมาเพราะมีสาเหตุจำเป็นเช่นรักษาตัวป่วยและในเมืองนั้นก็ไม่มีแพทย์ที่จะเชี่ยวชาญอันเนี้ยมาได้ไม่บาปแต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขาสามอย่างนี่มาเนี่ยอันตรายจึงไม่แปลกนะ ทำไมมาเมืองไทยแล้วบางทีโตบหลุดมากอะไรบ้างเ <c oughs> นะีเพราะว่าเนี่ยขาดเงินไขอ่าอะไรบ้างนะหนึ่งคุณต้องรู้หาร้านทารอมก่อนมาประเทศไทยคุณต้องรู้อันไหนกินได้กินไม่ได้อันที่สอง إ ي م านต้องมั่นคงต้องมั่นใจว่า إ ي م านของเราเนี่ยมั่นคงมาลงสนามบินมาเจอพบ ว, ว่าแบบแบมต้องทนได้นะอันที่สามมาเพราะเหตุจําเป็นเช่นมันต้องมาค้าขายมาทําธุรกิจนะรู้มาทํามาสอนหนังสือก็ได้นะบางคนมาสอนหนังสือทำดินละ ถ้ามีสามเงื่อนไขนี้ก็ถือว่าการเดินทางอนุญาตนะครับแต่ของเรานี่ไปประเทศสดิตสตบายเลยเพราะาอันนี้เหมาะสมนะฮล้านทั้งหมดไปตรงนู้นต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าว่ามมยุคริตมินไบตีฮิมูฮาจีรอนอิลลาฮิวะรอสูลี และผู้ที่ออกจากบ้านของเขาในฐานะผู้อพยพไปยังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และความตายก็มาประสบแก่เขาอ่าซุมมายุตริกุลมาอุตกำลังจะออกไปเลยหรือออกไปแล้วอยู่ระหว่างทางแล้วก็เสียชีวิตระหว่างที่เดินทางอพยพฟาโกดวีวาก้ออาจูรูฮูลลอัลลอฮอัลลอฮ์ตอบแทนผ ล, ลบุญให้เรียบร้อยแล้วอ่าไม่ต้องกลัวว่าขาดทุน อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้แกเขาว่าการนัลงอหูกอฟูรถรอฮีมานะและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงเมตตาการ น, นี้ฮะดีสที่พูดถึงเรื่องอพยพบเนี่ยก็คืออินนัมันอามาลบินนียันะแท้จริงบรรดาการงานนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนานะว่าอินนามาริกุลลิมรีอิมมานว่าและสาหรับแท้จริงสาหรับทุกคนนั้น จะได้ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้เราได้เตาจังเราตั้งใจอะไรเอาไว้เราก็จะได้ผลตอบแทนแบบนั้นและนบีก็บอกว่าผู้ใดที่อพยพไปยังอัลลอฮ์ ล, ละอรอสูลีนะฟาฮิจรอตูฮุอิละลอวารอูลก็เท่ากับจะได้ผลบุญในการอพยพทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครที่อพยพ อ, อพยพไปเพื่อเรื่องดุนยายูซีบูฮาก็จะได้ผลตอบแทนหรืออิมรอตินนะแต่อพยพไปเพื่อจะแต่งงาน เอาลอกก็จะตอบแทนตามสิ่งที่เขานั้นได้ตั้งเจตนาหรือตั้งใจเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือการอบพยพเหมือนกันไปเหมือนกันเลยแต่คนละเนียดก็ได้ผลบุญตามที่เนียดนะเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งที่มีหะดิษบทหนึ่งที่ท่านยิงไอชาถามท่านนาบีมีกองทัพหนึ่งที่จะมาทำลายกาบาแล้วเอาลอกก็ให้ธรณีซูบหมดเลยท่านยิงไอชาถามว่าแล้วคนที่ไม่รู้อีหนุยเน็บบางคนมาติดติ ด, ต, ดติดกองคารวานมาเพื่อมาหายาติบางคนถูกเกณฑ์บังคับมา ไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกแต่ถูกบังคับมาหรือบางคนที่อาจจะมาค้าขายอยู่พอดอีเป็นรถหวานเย็นมาขายอยู่ตรงนั้นพอดีถูกแผนดินสูบไปหมดเลยนาบีบอกว่าเมื่อฟื้นขึ้นมาเอาล้อจะตัดสินตามเจตนาของบุคคลนั้นใครตั้งใจมาทำลายกระบะก็โดนใบบาปไอ้คนที่มาไม่รู้เนื่องโดนแผดดินสูบไปด้วยเขาก็ได้ผลลบบุญไปในบททดสอบตรงนี้นะครับอ่ะ แล้วก็อีกบทหนึง่งอีกนิดหนึ่งนะครับพูดถึงการอพยพกรณีของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอเงื่อนไขยอย่างหนึ่งนะพี่น้องเวลาเราตบัดตัวเนี่ยคนออกจากคุกทำไมเวลาออกจากคุกแล้วเข้าคุกต่อเพราะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่พอต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วยเออบางคนเนี่ยเพื่อนกลุ่มเดิมเลยเพื่อนวงนี้มันค้า ย, ยามีรุ่นน้องฉันเนี่ย เขา้เขาคุกไปสามรอบแล้วไอตอนมันคบกับคนที่เป็นมุสลิมมันก็ไปติดคุกอะไรนะแต่พอเวลาเปลี่ยนแก๊งไปคบกับกลุ่มเพื่อนเดิมๆ เ, เนี่ยโดนรวบบีแล้วดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเตือนใจว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหัวใจหนักแน่นอย่างเดียวไม่พอต้องอะไรด้วยต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะมีชายคนหนึ่งที่ฆ่าคนมา99ชีวิต หลังจากนั้นเขาก็ไปฆ่าคนเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตเป็นรอ้อยไอ้ที่ฆ่าเพิ่มเพราะว่ามันชี้มั่วไปบอกว่าเอาล้อไม่ให้อภยัยนะพอโกรธเสร็จก็ฆ่าเพิ่มไปอีกหนึ่งศพและก็มาถามคนที่มีความรู้อ่าจ้ะหลังจากนั้นเอาล้อก็ให้อภัยและให้เดินทางไปเมื่อเดินทางไปพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตายระหว่างทาง มาริกาอีกคนมาริกาท่านหนึ่งเป็นมาริการ้อมมะมาริกานึงเป็นมาริกาที่จะนําไปสู่อาสาบการลงโทษก็ให้วัดระยะทางถ้าระยะทางเนี่ยไปสู่เมืองใหม่นะใกล้จะถึงเมืองใหม่มากกว่าเนี่ยก็ถือว่ามาริการร้อมมะเอาไปแต่ในฮิตบอกว่าเอาลอดช่วยนะคือเมื่อเสียชีวิตตายปั๊บเนี่ยก็กิ้งเลยไปแล้วก็ได้ เข้าสวรรค์นะได้รับสู่ความเมตตานั้นสิ่งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเครื่อ ง, เ ค, องเครื่องหมายอย่างหนึ่งว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยหนึ่งใจเรามั่นคงไม่พอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราด้วยนะอย่างฉั้นตอนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยในเมืองไทยฉันเรียนมหาลัยได้ปีที่หนึ่งฉันรู้แล้วสภาพไม่ค่อยดีขอดูอาการล่อเยาล่อขอไปเรียนต่างประเทศเถิดเถิขอสิ่งแวดล้อมดีๆเพราะว่าแม่ครบหมดเลยทั้งด้านหน้าด้านหลัง เนะเข้าออกมาหาไรเนี่ยจะเข้าข้างหลังกับมายมุกข้างหน้าก็มีดูแลใจเราไม่ค่อยมั่นคงขอไปอยู่สิ่งแวดล้อมดีๆลรวตอบรับให้ได้ไปเรียนทุนต่างประเทศอัลฮัมดุลิละนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินเชิญอาจามุสซาฟานะครับซุบฮาหนะกอลฮุมมะอวบิฮัมดิกาอัชดดอัลลออิลาฮิลลัตาอัสตัฟฟลูกะวะตูบุลไลอัสสลามุอะลัยกุมมะราฮมัตุลลอฮ์วะบาระกะตุ